วันนี้เป็นวันที่มีการถวายกะถินพระราชทานของวัดญาณสังวรารามบรมหาวิหารในพระบรมราชารุาชูประธรรมจึงมีญาติโยมบางส่วน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 จีวร น, นีก็ไม่มีใครถวายกันไม่มีใครถวายผ้าเพื่อตัดเย็บจีวรกันว่าก็ต้องหาผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นทิ้งไว้ในปา่าช้าเป็นผ้าหา่ศพบ่าทิ้งไว้ตามข้างถนนข้างทางตามกองขยะผ้าที่ไม่ใช้แล้วผ้าก็ไปเก็บผ้าเหล่านี้มา สะสมเอาไว้พอได้จำนวนพอที่จะมาตัดเย็บเป็นจีวรได้ก็นำมาตัดเย็บเป็นจีวรและซักย้อมแล้วก็เอามานุ่งห่มต่อมามีผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น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 เครื่องนุ่งห่มคือจีวรจิงได้ปารลให้กับศรัทธาญาติเดิม ว, ว่าควรที่จะถวายผ้าให้กับพระภิกษุไว้ห่มพาผ้าของพระนี้ไม่พอใจเวลาเปียกฝนก็ต้องห่มผ้าที่เปียกเพราะองจิงตัดว่าการถวายผ้า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 ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเพียงแต่ว่าในระยะนั้นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆก็คือผ้าจึงทรงตัดว่าการถวายผ้านี่มีอนิสง์มากมีคุณประโยชน์มากแต่อย่าไปถึงกับที่ว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ถวายผ้าอฐทินนี้จะไม่ได้มบุญจะไม่ได้บุญมาก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 เบาบางลงไปแล้วพอที่จะพูดธรรมะได้ต่อก็ขอพูดต่ อ, อสักเล็กน้อยได้พูดถึงเรื่องถวายภากถินที่อยู่ในกลุ่มของการทำทานการทำทานนี้ก็เป็นขั้นแรกของการก้าวบันได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 ถ้าเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำ่านถ้าเราต้องหาเงินหาทองก็หาเพื่อเป็นการยังชีพเท่านั้นถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องหามากไปกว่า น, นั้น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 ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองเช่นการฆ่าผู้อื่นการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสกสุรายาเมาถ้าได้ทำทานอยู่พอสมควรแล้วจะมีจิตใจที่เมตตากรุณาจะไม่ชอบทำบาปก็จะทำให้สามารถรักษาศีลห้าได้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 การมัชันทะก็คือความอยา ก, กาในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้ายังมีการมฉชันทะอยู่ใจจะไม่อยากจะภาวนาไม่อยากนั่งเฉยๆไม่อยากทำใจให้สงบเพราะใจจะคิดแต่หาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย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 เอื้อต่อการรักษาศีลแดเอื้อต่อการบมเพ็ญจิตตภาวนาก็ถือว่าเป็นวัดเหมือนกันไปอยู่ที่แบบนั้นแล้วการรักษาศีลแจะไม่ยุ่งยากยะงง่ายเพราะไม่มีอะไรมาล่อใจมาแย่ใจให้เกิดความอยากที่จะทำ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 ท่านตน้นท่านก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยกให้ของผู้อื่นไปทาทานครั้งเดียวทาทีเดียวให้หมดไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอีกต่อไปแล้วก็จะได้มีเวลาออกบาเพ็ญรักษาศีลมีเวลาจเจริญจิตตภาวนา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 เอวเมวะอิโตเทนังเปตานัอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมว a สมิจฉาตุสพเเอปุเรนตุสังกะปาจันโทปนารโสยธามนิจดีราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาศสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาอภิวาทานสีลสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลัง ภาวะิตใช่ไหมคะคือบุญที่เขาจะได้รับตอนนี้ก็คือธรรมะท่านั่นเองถ้าเขาฟังเสียงธรรมได้แล้วเขาเชื่อแล้วปฏิบัติตามที่สอนได้เขาก็จะทําใจได้ใจก็จะสงบก็จะไม่เดือดร้อนบรรลุธรรมได้ตัวเขาเองว่าเขาเวลาได้ยินได้ฟังธรรมเขาเข้าใจหรือเปล่าะ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 สุขภาพแข็งแรงอาการครบสามรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่างนั้นถ้าเรายัางคิดว่ายัางต้องกลับมาเกิดใหม่ก็อย่าประมาทเรื่องการทําบุญทําทานแล้วถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วไม่ต้องไปใช้ใช้กรรมก็อย่าไปทําบาปาะถ้าทําบาปก็ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายก่อนก่อนที่จะกลับมา เป็นมนุษย์ได้ต้องไปใช้โทษก่อน <c oughs> ถ้าไม่อยากจะไปใช้โทษ <c oughs> ก็อย่าทำบาปลักษาศีลห้าไว้ให้ดีและถ้าตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเทวดาก่อนถ้ามีบุญมากทำบุญไว้มากก็จะได้ไปเป็นเทพ <c oughs> ไปเที่ยวในโลกสวรรค์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ <c oughs> ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยก็ต้องตัด กิเลสตันหาย ห, หมดไปอย่าไปอยากกับอะไร <c oughs> ร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปมันไม่ใช่เป็นตัวเรามันเป็นคนใช้คนใช้เ็าบอกเขาต้องไปแล้วลาป่วยรา ง, งานแล้วก็ยกให้เขาไปส่วนพวกเราตอนนี้ก็ต้องทาใจว่าเราทาอะไรไม่ได้นอกจากเราทำได้แต่ร่างกายของเขา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 เขาแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาตายก็ปล่อยเขาตายไปเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับเขาเราจะไปวุ่นวายไปทําไม응แล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงกันนี้ไม่ได้อใจก็จะเฉยจะเย็นจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแนะล้วเอาไปคิดดูออหายาอ <laughs> เดี๋ยวเอาไมโครโฟนได้ไหมนูพูดผ่านไมโครโฟนคนอื่นจะได้ยินด้วยช่วยช่วยส่งไปให้หน่อยพูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆไหม่หน่อยได้ไห้คือหนูอยากถามว่าช่วงนี้ชีวิตหนูมันไม่ค่อยจะนี้เลยหนูจะพ้นที่ผักกรรมนี้อีกจะเจอแบบนี้อีกนานไหมคะคือวันนี้ก็หมดกรรมได้ถ้าเราทำใจได้เข้าใจไหม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 เป็นไป่อให้มันเป็นไปเกิดไปเดี๋ยวมันก็หมดไปใจเราก็เย็นใจใจเราก็สบา ย, ยานั้นเราพ้นวิบากตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถ้าเราทําใจได้สอนมากจะเป็นแต่คนอื่นทาให้หนหนเอไว้ใครได้ทําให้เขาก็เราอย่าไปสนใจก็ถือว่าเป็นวิบากของเราก็แล้วกันหรือเป็นกรรมของเราเอหรือเป็นความสวยของเราที่มาเจอคนเหล่านี้เข้า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 แล้วมันหายไปแต่ไม่ได้หายเพราะว่าเราทำหรอกเพราะมันมันหมดแรงมันหมดเหตุพอครั้งต่อไปมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็จะไปหาหมอดูไปทําอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ตรงเฝ้าเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันต้องเกาที่คันที่คันก็คือใจของเราใจของเราทุกข์เพราะอยากไม่ให้มันเกิดแต่เราต้องใช้ปัญญาว่าของเรานี้มันต้องเกิดห้ามมันไม่ได้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 ตนแต่มันมีความคิดความรู้อยู่ยันดูแลรักษาใจเท่านั้นอพอแล้วเพราะถ้าใจสงบใจเย็นแล้วไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดอนนั้นหันกลับมาทำใจหัดยอมซะยอมแพ้ใครอยากจะทำอะไรให้เขาทำให้เต็มที่เลยนะ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 โครงการช่างหัวมันเคยได้ยินไหย อ, อ, อ, อ, อย่าไปทุกข์กับมันหวายความว่าอย่างนีนเ้เมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปออลองทำดูเดี๋ยววันนี้จะพ้นวิบากไหยเนี่ย <c oughs> จะหัวรอดได้ <c oughs> ถามต่อสาธุครับกับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับการนั่งสมาธิ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 วิธีสร้างก็ต้องสร้างเจริญสติตลอดเวลาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิแค่เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องควบคุมใจแล้วต้องเจริญสติแล้วให้อยู่กับพุทโธไปหรือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอเวลามานั่งสมาธิกําลังสติมันจะมีมากขึ้นแต่จะมากพอที่จะทําให้ดวมหรือไม่นี่ก็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 ภพชาติก็แบบนี้ตันหาก็คือน้ำ ม, มันของภพชาติถ้าลดตันหาได้ภพชาติก็จะน้อยลงเข้าใจแล้วครับสาธุครับผมทางการคุณต่อไม่ถามแล้วว่าตัดผมสั้นแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> สบายขึ้นหรือไม่อ้าวถามมา ค่ะโยมขอกลับเรียนถามเรื่องจิตเดิมจิตแท้จิตต้นอะไรเนี่ยค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดมันมันเข้าไปถึงความสงบหรือเบกขรอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วเนี่ยจิตรวมแล้วรวมเป็นหนึ่งแล้วแล้วยังมียังจะมีจิตคือคือมันมีมันจะมีตัวรู้อยู่อะไรนี้ถ้าถ้าว่าถ้าที่หลวงตาพูดถึงจิตเลย ปู่มั่นพูดถึงจิตเดิมจิตต้นอะไรแบบนี้มาถึงมันมันมีมี ม, ม, มากไปกว่านั้นอีกนะคะคือจิตตัวเดียวตอนนี้แหละเพียงแต่ว่าเราให้ชื่อมันต่างกันเหมือนกับคนเนี้ยเวลาเป็นเด็กก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงเวลาโตขึ้นมาก็เป็นนายเป็นนางสาว<ช> <ๆ S 2> เวลาแต่างงานก็เป็นนางจิตก็เหมือนกัน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 จิตของพระ อ, อนาคามนีนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับของจิตเดิมแต่แต่ยังมีกิเลสตัณหาของเหลืออยู่บางส่วนหรือจิตของผู้ที่รวมลงเป็นสมาธิแล้วเป็นอุเบกขานี่ก็ก็เป็นจิตเดิมเหมือนกันแต่มันมีกิเลสตัณหามากกว่าแบบของพระ อ, อนาคามีเพราะว่ายังไม่ได้ตัดกิเลสตัณหาเลย มันเพียงชื่อของจิตเวลาที่อยู่ในในฐานะต่างๆเท่านั้นเองเป็นจิตตัวเดียวกันพอถึงนิพพานท่านก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กับจิตเดิมจึงไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตัวไม่ไม่ใช่ภาวะเดียวกันจิตบริสุทธิ์นี้ไม่มีกิเลสความโลภโกรธลงไม่มีตัณหาไม่มีภพชาติแต่จิตเดิมนี่ยังมีภพชาติอยู่ เพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์กับที่ท่านเรียกทีติพุทีติพูตังนี่ก็จะจะไม่มีแล้วถ้าหากว่าถึงที่สุดแล้วอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ทีติพูตังนี้ถ้าก็คือว่าจิตที่สงบนิ่งไงจิตที่เป็นสมาธิจิตรวมนี่เรียกว่าทีติพูตังท่า น, นั้นเองแต่ยังมีกิเลสเต็มอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ใช้ปัญญาทําทลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตนั้นใช่ค่ะขอบคุณค่ะ คต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและทางกลุ่มคณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณมนตีนะครับผมได้ฟังธรรมะที่พระอาจารย์เทศมาสักสองสาเดือนที่ผ่านมาที่ได้ยินได้ฟังบ่อยจนเป็นที่จำได้คือพระอาจารย์จะเน้นเรื่องอุเบกขาในหลายเทศผมมีข้อสังเกตและค่จะกราบเรียนถาม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 อยู่กับมันไปอย่างนี้ก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมานั้นการเจริญสติอย่างเดียวนี้ไม่พอเจริญสติแล้วต้องนั่งนั่งสมาธิให้มากๆกให้จิตรวมลงให้ได้ให้สงบให้ได้และเวลาออกจากสมาธิมาถ้ามีปัญหาก็ต้องใช้ปัญญาคอยกาจัดมันให้ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณน้องนะครับกาบนมัสการค่ะเรียนถามเวลามีสติ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 พระที่ทําพิธีครอบครูใช้เสียงเทพหรือศีนั้นผิดวินัยและคําสอนหรือไม่ก็เป็นคำสอนพระเจ้าไม่ได้สอนให้ทําถ้าไม่ได้ทําไม่ได้สอนให้ทำก็ต้องว่าผิดแล้วเพราะเจ้าสอนให้พระศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณปุ้ยนะครับการดูลมแล้วยังไม่รู้สึกสงบหรือมีสมาธิ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 พระอาจารย์คะที่มีธรรมเนียมว่าถึงหนึ่งร้อยวันแล้วต้องทําบุญให้คนตายนะคะตรงนี้พระอาจารย์แนะนำหน่อยสิคะอันนี้เป็นอุบายของนักปราดให้พวกที่ยังอยู่ที่ขี้เกียจทําบุญจะได้ในโอกาสทําบุญกันเ <c oughs> <c oughs> ข้ <c oughs> าใจไหมขอบพระคุณครับหมดแล้วนะวันนี้ก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้